ปีใหม่แล้วเนาะดองสวรรค์ปีใหม่แล้ววันนี้มีการประชุมเพื่อาำความเข้าใจแล้วรายงานตลอดปีที่ผ่านมารายรับรายจ่ายเราจะต้องทำอะไรบ้างปีหน้ามุกกระลาคามาุมปา โดยก็คืองานกานอกงานกุบอาจารย์เดือนหน้าเลิ น, นจา ก, นานกงานเหญ่ืองานหลปูป่ไฟบุญตแปดตัเก้ายี่สิบโดยกรมาก็ราหลวงปู่ 45. ตองแดงตัวสามสี่สิบห้าอันนี้คือหลักแล้วตอนเดินกลวปู่คำบอก หลงปูศ่ศีปู่ดมชขีวยาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นถ้าเป็นภาษาชาวบ้านงานเขาดำนัน <c oughs> คือปีหน้านกลางปืออ้ก็เรื่องของไปตามประเทศคือภาระหนักที่ เพราะฉะนั้นผู้เราที่เจริญโดยต่างประวัติศาสตร์ตั้งแต่รุ่นตุ่นยาญตุ่นบุกเบิกโอเคลวงปูมันสมัยเป็นไหนน้อยอยู่บ้านก็อาศัยหนังซือประวัติ เอาลงปูเล่มใหญ่ๆนะนะอ่านเข้าใจบางไม่เข้าใจบางเลยกินวัดเขาวัดหรืออื่นแต่ว่ามันน่าสนใจเล่มหนาๆนันองอ่านจบอ่านหนังสือก็คลองบางไม่คลองบางเข้าใจบางไม่เข้าใจบ้งางภาษาเนี่ยน้อยแต่มันก็ซึมซับ เติมตปปติ ป, ป, ท, ปทางกับหลวงปู่ตั้งแต่แต่นิมิตก่อนที่กเกิดไมิดเห็นอะไรก่อนบูตรกี่มาขาวจะมีความอธิบายความหมายม่ก็แรงศรัทธาอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนไม่ค่อยรู้เรื่องจสมัยนี้เด็กก็อยู่ในวัด โรงเรียนมาก็เพียงเล่นในวัดวัดวัดวัดวัดบ้านเขาสนามกว้างๆไม่มีที่ไหนนอกจากโรงเรียนแล้วก็วัดก็ไปเล่นกันตามภาษาด็กๆมันซมำซับโดยที่ไม่รู้ตัวขอบวดมาก็ยังไม่เข้าใจในความหมายได้จริงเป็ียนมาทําตา ขอดีนสมัยก่อนก็คือขอรบครูบาอาจารย์เชื่อฟังครูบาอาจารย์นนอข้อ ด, อดีโดยไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นพร้วครูบาอาจารย์บอกกล่าวอย่างไรถือว่าเป็นคำสั่งถือว่าเป็นคำเด็ดขาไม่มีคำข้อแม้ไม่มีคำเดี๋ยวก่อนสั่งอะไราทาเมื่อนั้น แล้วก็ห้ามบอกต่อหมายถึงว่าสั่งคนหนึ่งเราก็ไปบอกต่อคนทํำอันนี้ฟ้าพางไม่ได้อันนี้คืออันที่สมงในการผูกขาดดัดตนตามเป็นแต่น้อยอีนี้เรามาดูครบอาจารย์เราทำไมรุ่นใหญ่ของครูบาอาจารย์เม่เช้าหลวงปู่ถึงหลวงปู่แหวนบ้างหลวงปู่แฟนเริ่มต้นจากฟัง คือเชื่อแม่ยศแม่ยศแม่ไม่สบายยศแม่ขอไว้มาก่อนตายอยากเห็นผ้าเหลืองบวชให้แม่ไม่ได้มีความศรัทธาเลยมากมายตั้งใ จ, จบวชให้แม่ให้แม่เห็นผ้าเหลืองนื่คือคนโบราณสมัยโบราณเขาเชื่อฝังพ่อแม่คือบวชบวชให้พ่อแม่ หลวงปู ง, ง้นเราเช่นเดียวกันนทางประวัติเอาแค่สององสองท่านก็เห็นแก่นเนี่ยทั้งที่ตอนขอน้านนะั้นท่านก็เป็นคลึกตือคลึกคือเข้าคลึกปู่เราปู่หลุยเราเนี่ยก็ใช่มันเชื่อทั้งมหมดฝรั่งหลุยไปทางฝรั่งเลยผู่ ง, งนก็อยู่ฝรั่ง กบวชก็เช่เดียวกันตัดสินใจบวชและบวชขนาดใหญ่บวชเสร็จแล้วก็ปกติมุชาบ้านทั่วไปจะมีโอกาสได้นำไปเรียนบุญกระจายที่อุบสมบุญกระจายนะเขาเรียนดรงภาษาบาลีนี่แหละอัคราพยัญชนะทั้งอัคระ ทีเป็นบาลีแล้วก็อาสาอากัอากษรได้เป็นอาสาแครอักษรธรรมทำเอกสารเขียนเป็นภาษาเป็นอักษรธรรมสมัยแน่นอยก็ยังพอเขียนได้ <c oughs> นลืมหมดแล้วก็เรียนจนอยู่ได้ทั้งสิบกว่าสิบกว่าพรรษาได้ยินเกียรติศาสตร์นุประมาณเพราะที่อยู่บน เป็นท้องที่ท้องเตียนของหลวงปู่ม mm hmm. ันสายที่สิบสิบกว่าแล้วก็ตามหลวงปู่ไปเสวงหาครูอาจารย์ไปเจอที่บ้านผึ้งไปเจอที่บ้านผึ้งสร็จครั้งแรกที่หลวงปู่บอกบัวมาถึงปู่ใหญ่ปู่มันบอกหลวงปู่เงว่าเก็บตําราไว้ก่อน เหมือนพวกลงตามหาบัวเหมือนจะรู้พอเรียนมาเยอะเอาตำดาใส่ตัวก่อนเห็นไหมครูบาอาจารย์สั่งยังไงต้องอย่างนั้นเม่มี้ค่ไห น, นก็เริ่มต้นใหม่หมดอยู่ลุงปู่ทัางก็นั่งภาวนาะคำบริกรรมเมื่อกหร่คำหลวงปู่อ่อนก็เช่นเดียวกันแต่ละองค์แต่ละท่านจะให้คำบริกรรมไม่เหมือนกันสอนไม่เหมือนกัน แหวนเราก็เช่นเดียวกันอยู่ขอนหลวงปู่เสร็จแล้วเดีว๋วลาสมควรเนื่งจากกลยบานบ้านคือจังหวัดเลยก็ถือโอกาสเข้าบ้านเพราะสิบกว่าปีแล้วไม่ได้กลับบ้านไม่ได้อยู่บ้านคือไม่เจอหน้าแยา่ย่ะควรยังาถึงบ้านบ้านเขาก็แตกตืนกันก็มาดูหลวงปู่ตรงคือทางหมู่บ้าน ประเด็นอีกสำคัญก็คือเราบอกว่าพอไปถึงบ้านแล้วชาวบ้านเนี่ยพากันมาขอสินเออเป็นเรื่องแปลกนะพวกเราวพอเป็นพวกเราไปเห็นพระก็ขอสินใหม่กระามผู้คุยธรรมดาก็ระขอสินเออไปเรื่องที่ดีก็ให้สินรับสินไปสินหาสินแปดแต่ว่างแต่ว่าพอรับสินไปแล้ว ยังว่าท่านรายเลยสะพายล้องเบ็ดปลาแลห่ลงพุ่ยน้องของบึง เ, เบเงเหมือนเดิมคือรับสินแต่เขยังเหมือนเดิมลูปบุญเ็เกิดความธรรมาสังเวชขึ้นมาโอ้แล้วจะรับสินไปทำไมอรับไปแล้วก็ทำปนานาติบาเหมือนเดิมแต่เขาก็ยังดีใจภูมิใจว่ารับสินแล้ว อันนี้คือภาพรวมหลังนั้นก็กลับไปหาลงปู่เมือนเดิมพูดพรรษาสิบกว่าแล้วแนะม้แต่ลงปู่ตื่นเราเก็เท่นเดีย ว, ว, วรร ก, กันก็ไม่เจติติวัดเจาิีหลวงก็เป็นาทำมิตรกันนี่เร า, เ ล, าเล่าถึงว่าสมัยกอ่อนสมัยโบรางสิบกว่าพรรษาก็แปลว่าอะไรอายุสามสิบกว่าแล้วสิบเก้าพรรษาเกือบสี่สิบแล้ว ก็ยังแสวงหาค ร, ร, ร, รู 10, อาจารย์ตามหาครูบาอาจารย์อันมาถึงโบราณนะทุกวันนี้เป็นยังไงไม่ถึงสิบเป็นเกิจิเป็นอาจารย์ไปแล้วยังไม่ถึงเทระภูมิสัมป اي เทระภูมิคือสิบเป็นสาเป็นครูอาจารย์ไปแล้วอันนี้คื อ, ขอเขาแตกต่างสมัยก่อนนะั้นไม่ใช่ ต้องโดนครูบาอาจารย์โขกสัพท์โอสารพัดมันมันไม่เชิงอย่างนี้เอาแค่เดินตามครูบาอาจารย์ตั้งแต่อีสานขึ้นเหนือเหนือลงอีสานไปดูไม่แต่หลวงปู่เราใจาอีสานขึ้นมาเหนือทั้งหลวงปู่สิมเราหลวงปู่ตอกอื่นเราเขามาผ่านทางสารพัดก่อนจะมาถึงเชียงใหม่ไม่ถึงหลวงกรมังก็ทุดง ลมหายตใจายไปก็มียุค ป, ปัจจุบันน้อยต่อไปแทบจะไม่มีเลยพิชชาคำว่าน้อยแทบจะไม่มีเลยคขอมทุกข์ยากลําบากของกลัวของเงียบที่จ ะ, ะเผชิญด้วยตนเองคิดได้ดตัวตนเองตัดเพิ่งใจไดยตนเองมันจะไม่ไค่อยมีสมไยก่อนครูอาจารย์บอกเป็นแผนที่ประเทศไทย อยู่ตรงไหนมุมไหนซ่องไหนประเทศไทยนี่คือข้อแตกต่างมนั้นการบำเพ็ญเราจะไโทษเรบบาเพ็ญบางมีมาหน้อยไม่มีบางมีเพราะเราไม่ทํากันมัน ม, มีสิ่งเหล่านี้แต่ลายสำนักที่เป็นเป็นนนั้เรีนอยู่ส่วนใหญ่ป ร, ริญญากับป ร, ร, บป ร, ริบาตอย่างเดียว สุนปฏิบัติก็ปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้ฝ่ายหนึ่งก็ลังเกียดปริยัติคือไม่เรียนฝ่ายหนึ่งคือไม่เอาปฏิบัติเลยสุดโตรไโคนละทางไม่เข้าใจทั้งสองทา ง, างจึงเป็นทีมาหลวงพ่อท่านบอกว่าปริยัตมันคือความจำแล้วไปอิงความจํามากเกินไปโดยไม่รู้จักความจริง มันก็ไม่ได้ผลเพราะสุดท้ายเราก็อาศัยแค่ความจำทำาาหากินในความจำนม่วาจัยเรียนจะสอนอธิบายกระจายความเท็บรรยายอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องของความจำแต่ความจรงิงเรื่องประสบการณ์ตรงมันแทบไม่มีในเมื่อมันเีจะเอา อ, อะไรสอนก็เอาความจำเป็นตัวสอนความจำตัวสอ น, น, สอนถ้า เกิดเป็นจริงขึ้นมาตามคําสอนรปรียวปากฏการณ์คําสอนเช่นเกิดนิมิตไม่ว่าจะเป็นอกาหนนิมิตปฏิภาคนิมิตเกือแต่นิมิตเป็นเสียงนิมิตเป็นกลิ่นหรือเป็นรูปก็แล้วแต่นะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะโคตรสอนเองก็ไม่มีประสบการณ์ก็คือประสบการณ์ตรงคือไม่เกิดกับผู้สอนเอง ก็ขาดก็เดาสุดท้ายก็ตอบก็ถามไม่ได้อธิบายขยายกว่าไม่ได้ซิ่งเรื่อนี้จึงเป็นพื้นฐานเป็นเรื่องจาเป็นโดยพางยิ่งในธรรมะในภาคปฏิบัติต่อไปต่อไปคือจากนี้เป็นต้นไปก็เช่นเดียวกัน คนจะเพียบพร้อมทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัติหมายถึงประสบการณ์มันก็นเริ่มหายากส่วนปริยัติในภาคปฏิบัตินั้นจะมีมากขึ้นหรือจะเป็นสัธ ร, รมปฏิรูปหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันเหมือนกับโลกได้เข้าใช้กันคืออาศัยแค่เียนตรายี่ห้อ เขออกจากไหนก็เป็นยี่ห้อเราคงไม่พูดอะไเป็นมันหมายถึงอะไรเป็นเส้นเป็นสายเป็นยี่ห้อเป็นตราถ้าใครไม่มีเส้นใครไม่มีสายใครไม่มีตราคนนั้นก็จะเป็นเรื่องนอกระบกไปไม่อยู่ในกระบวนการความคิดทั้งหมดที่เจอมาหมดด้วยตนเองเรื่องเส้นเรื่องสายเรื่อง ป, ปฏิบัติจึงเข้าใจความรู้สึก เหล่านั้นดีแต่ก็ไม่ได้ถือไม่ได้สาถือว่าเป็นประสบการณ์ถือว่าเขาสอนผว่าพูดเสมอทุกวันนั้นก็เหมือนกันถื่คนมาพูดมาคุยเจรจ า, าปราศัยแต่ละวันถือว่าเขาเอาธรรมะมาให้ทั้งดีและไม่ดีทั้งกุศลและอกุศลแต่มันก็คือธรรมะเปิดเป็นพ ร, ระฝ่ายไหนฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีมันก็คือธรรมะ บนอยูที่พวกเราจะ อ, าอะไรจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนการปฏิบัติธรรมไม่ได้เริ่มต้นในคนอื่นมันเริ่มต้นที่ตัวเราแต่ทุกวนนันเราไปเสวะหาอะไรใครก็ไม่รู้เหมือนพูจะจาถามสาวกที่ผ่านมา ไปตามหาผู้หญิงคือในประวัติเราเรียนด้วย่าตามหาผู้หญิงตามหาตัวเองก็ ง, งงไปพักหนึ่งทำไมตามหาตัวเองตัวไหนว่าตามหาตัวเองผู้เจ้าของเราสอนให้เราสอนสอนตัวเราเองอตาเฮตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งของตอนในโดยความหมาง คำว่าที่พึ่งของตนหมายความว่าต้องมีตนที่ฝึกดีแล้วจึงจะเป็นที่พึ่งได้ความมั่งคำว่าที่พึ่งตนแลเป็นที่พึ่งของตนกาตาตโนนาโตโกเฮนาโตปโรสิยาคนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งจิตที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นที่นา็สุศมาให้เนี่ยนวามหมายนั่นก็แปลว่า มันจะเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเราฝนะึกหัดปฏิบัติกายวาจาตนเองได้เสียก่อนแล้วจึงจะเป็นที่พึ่งได้มันเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้มันก็จะเป็นที่พึ่งของคนอได้เช่นเดียวกันเราพูดถึงที่พึ่งกับตัวเองก็คือรักตัวเองในทางที่ถูกมึงรักตัวเองก็แปลว่าไม่ทําลายตัวเองโดยดวยดิธีใด ว่าจะทำลายด้วยความคิดด้วยคำพูดหรือด้วยการกระทําแต่ถ้าคนที่ไม่มีสติมันก็เป็นทําลายตัวเองทําให้เสียเวลาทําให้เน่่อนช้าในการปฏิบัติแม้แต่ความคิดก็เช่นเดียวกันว่าคิดยังไงเพราะฉะนั้นสมาธิฐิจึงเป็นข้อแรกที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาพิจารณาเราก็เช่นเดียวกันพยกสมาธิผู้คนทำไมพระพุทธเจ้าบอกอาสมาธิมันคือปัญญา แต่สอนผู้จะเอาปัญญาก่อนมันคือสินสมาธิปัญญาเองแต่สอนเอาปัญญาขึ้นมาหมดก่อนสัมมาสติสัมมา ส, ส, ม, ม, าส ม, มาธิเราดูข้างล่างลนะฝาแถวนั่นนะเอาปัญญาขึ้นมาก่อนส ม, มาส ม, มาธิคิดให้มันถูกก่อนพอจัดการความคิดเสร็จแล้วคอยควมเพียรจนดดสติสมาธิ กรรมาที่ปัญญาปัญญากรรมมอุรมณนี่ดอกวนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้จริงมันไม่ได้ถึงกันมันกลายเป็นวงกลมมีปัญญาอุรม์แล้วก็มันก็เวียนกลับมาอีกเริ่มต้นสติสมาธิปัญญาปัญญาโกะจะทให้เราพักอยู่ในสมาธิด้วยความมีสติจนเกิดปัญญาวนไปอยู่มาอยู่อย่างสุดท้ายก็เรียนจากการเรียนดุสิ มือสติสมัธิปัญญา ว, วงจรของมันเพราะนั้นการที่เราตั้งสติอยู่กับอะไรก็ตามอยู่กับลมหายใจก็ตามอยู่กับกายก็ตามหรืออยู่กับกายยกตาสติก็ตามหรือพิจารณาการที่เราสวกั น, นอาการสามสิบสองเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามที่มีตัวตงของเราเรื่อกายยกตาสติ นี่คือสติปัฏฐานคือฐานของสติเป็นที่ตั้งของสติที่เป็นรูปก็คือรู ป, ปรธรรมถ้าเติมธรรมะเข้าไปเป็นรูปธรรมอันใดธรรมะอนั้นเป็นนามเป็นเวทน า, า, กากายคตากายเวทนาจิตธรรมอันั้นมันเป็นมันเป็นนามอ่ไม่ได้รู้ากายขจาสติสติที่อยู่ในกายตั้งอยู่ในตาย กายคืออะไรกายมันอาศัยอะไรที่เหลือมันอาศัยอะไรจริงๆมันก็อยู่ด้วยกันมันไม่ได้แยกในทางปฏิบัติมันไม่ได้แยกกายเวทนาจิตธรรมมันไม่ได้แยกเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าสติปัญญาเรามันจําเป็นต้องแยกทีละอย่างทีละชิ้นค่อยประกอบเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะงั้นมันก็ไม่เข้าใจกันระบบการทำงานดังนั้นกายกระดาษก็ทินี้ถ้าเราไม่พิจารณาเนืองๆบ่อยๆเสมอเราก็มารู้จักเขาจุดขาด ก, การเป็นความหลงคือโมหะครอบงำกายนี้เป็นที่มาเป็นที่อยู่เป็นที่ไปทุกอย่างในโลกนี้ที่มนุษย์พึงได้พึงมีพึงเป็นที่ปรารถนาต้องการ ความรักก็เกิดจากนี้ความช่างก็เกิดจากนี้คึงระลึกไว้เสมอว่าทุกอย่างมีสิ่งตรงกันข้ามเสมอเมื่อเรานึกถึงใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตรงกันข้ามเราก็จะให้นึกถึงสิ่งหนึ่งเช่นพูดถึงว่าสุขหรือขณะนั้นเศร้ยสุขอยู่ก็คือเวทนา น, นเองสุขเวทนา ตรงข้าม อ, อกสุกาณะก็ทุกขเวทนาทุกขเวทนามันยังมีอยู่แต่ว่าขณะนั้นมันสเสวยสุขะไม่ได้แปลว่ามันไม่มีทุกขานมันจะต้องข้ามอย่างี้ถ้าเราคิดได้อย่างนี้ในทุกเรื่องมีกลางวันมีกลางคืนมีมืดมีสว่างถ้าอยู่ในที่มืดก็ออกมาหาที่สว่างถ้าจิตเป็นอกุศล ก็ไปอยู่ที่มันเรื่องที่เป็นกุศลคือเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนจิตของเรานะ่ะซึ่งมันเปลี่ยนได้ปรับได้ที่เราเป็นได้เพราะเราไม่ยอมปรับสเสวยทุกเวทนาก็สเสวยอยู่อย่างนั้นลืมไปเนะี่ยสุขะมันก็มีอยู่โดยเฉพาะยิ่งคือถ้าอุเปกขาไปเพ่งคือวางตรงกลางได้จะเป็นเรื่องดีที่สุดไม่ต้องไปเสวยสุขะ ไม่ต้องปไปถวายไปทุกข์แต่น้อยคนที่จะทําได้ส่วนแดดก็จะอยู่อย่างไม่ถูกก็ะุกก็อยู่อย่างนี้แต่ที่สําคัญคือผู้ที่รู้ว่าอันนี้คือสุกอันนี้คือทุกข์มันไม่เกิดจืเรียกว่าผู้รู้มันไม่เกิดมารู้จะตัดสินใจยังไงก็สุขมากับยผสมโรงกันอย่างเนีน้ทุกมากับผสมโรงกันเนี่ยทั้งๆที่ ใจนะเขาเป็นกลางมันเป็นอิสระว้าในใจของเราไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์เอาไว้ในใจของใจมันก็จะเป็นอิสระคือมันมเป็นกลางในการคิดพูดทมคือวางได้ทุกวันนั้นเราบังไม่ได้คือไม่อยู่กับสุขก็ขอยู่กับทุกข์อยู่งนี้ตลอดเวลาแต่ตัวที่เป็นผู้รู้มันไม่เกิดคือสติ คือระลึกนั่คือมนได้ออตอนนี้มันเป็นสุขตานนี้มันเป็นทุกข์มันไม่หนึ่งคณะองค์ของฌานจึงเข้ามาช่วยตรงนี้ก็คือหนึ่งวิตกวิจารปิติ ส, สุขสุขานเอกคาตาเป็นตัวสุดท้อยคือเอกขาตารมเมื่อเอกขาตารมเกิดขึ้นนะ่ะสุขทุกข์จริงอยู่มันก็ปล่อยหมด เพราะนั้นเรียงลาดับตั้งแต่ต้นมันมาก็คือกองของฌานหนึ่งสองสามสถ้าใครจะไม่เข้าใจสิ่งองค์2องฌานมันไม่มีฐานหยิบละถอนปล่อยวางอะไรได้มันก็ติดอยู่หม้ยแต่เอกาคตังรมคืออารมณ์เป็นอันหนึ่งเป็นอันเดือกันถ้าแจมัะวางไม่ได้แจไม่เคยเป็นเลยเลยไม่มีประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตเลยนะมันยิ่งยากนะครับเพราะนั้นการที่จิตขอเราจะพัฒนาให้ามันดีขึ้นให้เป็นขึ้นหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางอารมณ์สติปัญญาความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดไม่มีทางเลยคือวิตกวิจารก็คือคําบริกรรมนั่นแหละตรกวิจารณ์ปิติจะเกิดปิติ ช่วขณะก็ตามอแค่คนลุกก็ตามขนพองก็ตามพิติเรือสุขะคือความสบายคือมันมันก็เคยมีไม่เคยเป็นจิตไม่เคยเป็นอิสระอย่างนี้พิติสุขเอกัดขาตาวความเป็นอารมณ์เป็นอันเดียวทาอย่างนี้จํานานแม้แต่ผู้เจ้งเราก็ทําให้ดูเรื่องเหล่านี้ผู้เจ้าเป็นตั้งแต่เด็กได้มาตั้งแต่เด็ก คือไม่ได้เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวเป็นของเก่าเคยได้เคยมีคือเป็นมาเลยคือไงคือของเก่าของท่านเพราะฉะนั้นทุกคนทุกคนคือพูกเราประเ่นเดียวกันถ้าไม่มีนิสัยมาทางนี้คือไม่มีของเก่าเลยไม่มีแนวอย่างนี้มาก่อนเรไม่มีทางที่จะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนามันไม่มี เราจะเห็นป่าผู้คนทั้งหลายเอาเฉพาะบ้านเมืองเรานะี่ยหกเจ็สิบล้านคนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ที่จะเข้าวัดเข้าว่าอย่างพวกเราเพราะอะไรพื้นฐานของจิตวิธีชิดมันไม่เหมือนกันเพราะว่าวิธีชิดคือแนวความคิด่างเนี้ยมันไม่อยู่ในวงกวารคิดอยู่ในกรอบคิดเขาเลยมันไม่มีพวกนั้นเขาไม่มีในใิสัย ที่เป็นอย่างนี้นเพราะเราถือว่ามันมีนิสัยแกเห็นได้เจอได้พบครูบาอาจารย์ก็ใจมันก็ลงจิตมันก็ลงแล้วเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบโอ้นายก็แล้วแต่แค่จะยินได้ฟังปฏิปทาก็ชื่อเรามีบารมีมาก่อนครูบาอาจารย์ของเราหลายรูปหลายนะล้วนหลายท่านเกิดท่านสมัยพุทธกาลด้วยซ้ำไปแต่ว่าสมัยนั้นไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้สนใจ ละเลยมาถึงสองพันกว่าปีมาแล้วดูดิถึงได้พบได้เจอกว่าจะได้พบกว่าจะได้เจอเอาไปสร้างโลกหลายองค์หลายท่านในยุคของพวกเราครูบาอาจารย์สังราก็คือไปมีครอบครัวลหลายๆองค์มีครอบครัวมาก่อนมีลูก ม, มีเต่าเยอะแยะจนอายุแก่กลางคนแล้ว เลยสมสิบแล้วเลยสี่สิบแล้วจะนได้เข้ามาบัญชาสมบทในทางขูพศาสนาตอนนี้ใส่เก่าบเก่ามันนมันก็เลยมาทางนี้อันนี้คือประวัติและปฏิบทาของาจารย์แต่และองค์แต่ละท่านเพราะฉะนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันความเป็นเพศเพศชายเพศหญิงก็เช่นเดียวกันมีคุณหมอท่านหนึ่ง ก็นั่งสมาธิแล้วสามารถเชื่อช้อนหรือถึงอันเก่าได้ท่านบอกพื้นฐานพื้นฐานก็เป็นเชื่อได้ก็องค์ของชานเองคือชานสี่รูปรชานรูปรชานเป็นพื้นฐานแล้วก็เคยทํามาเก่าแล้วอดีภาษาที่ไม่เคยพูดแค่ฟังก็เองสมาพูดได้ดนตรีที่ไม่เคยเล่นมาก่อนมเมจับจับครัง 2, ้งสองครั้งมันไปเอง ตัวอัตโนมัติก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นไปได้อย่างไรสุดท้ายเพื่อมาขายความลับได้ในอดีตชาติเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วอยู่มาหมดทั้งยุโรปทั้งเอเชียเป็นหมดทั้งผู้ชายเป็นทั้งผู้หญิงอันนี้รึกนึกได้ด้วยตนด้วยตัวของท่านเองอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องเล่า เ, ร, เรื่องจริง แต่ยุของพวกเรานี่แหละนี่างหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังหลายองค์เลหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายคือเล่าเรื่องการรู้ชาติเป็นตนเพาะคนสำหรับคนที่ถกยังเทียงกันอยู่แสดงว่ายัางไม่มีข้อมูลหรือตัวเองยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยจึงได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้เราพูดงานเป็นเพันปีมาแล้วเรื่องกันเกิดมรร ภาพว่ค์คือลึกชาติใหม่แล้วก็ไม่ได้เป็นชาติแค่ชาติเดียวหลายคนเป็นหลายภพหลายชาติยุโรปเอเชียมันมีที่มาที่ไปว่าทําไมบางทีเราก็นึกว่าทำไมเราชอบไปยุโรปเอเชียแล้วชอบอ เ, อเอบกิดโดยที่ไม่รู้สึกตัวปไป ม, ม, ม, มามาไปไปแท้ที่จริงแล้วในอดีตชาติอ่พะพอเราตั้งแต่ยุคพุทธเจ้ามานี่ก็สองพันกว่าปีมาแล้ว มันไม่มีสักภบสักชาติเลยที่ไปอยู่อย่างนั้นหรือเป็นอย่างนั้นแล้วจิตดวงเดิมมันยังจํามันยังมีมันอย่างเป็นอยู่นะเพราะนั้นการติดเพศผู้หญิงผู้ชายก็เช่นเดียวกันโดยหัวการในเพศชายเนี่ยไม่ใช่เรื่องอ ง, ง่ายๆเลยนะสําหรับเพศที่เป็นชายแล้วก็เป็นิแต่เพศที่ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงยิ่ห น, นักกว่าผู้หญิงนคือผลของการละเมิดสิ่ง กายเมสุเป็นสาจาร์ไปละเมิดจริงแม้แต่พระอานุ์ก็เช่นเดียวกันไม่ได้เป็นพระไม่ได้คนตลอดนะพระอานุลพะไปละเมิดตรงนี้แหละกายเมสุเป็นสาจารย์พระอนุลพุทธะประาของเราเนี่ยนะในประวัติท่านยังเล่าเลยไม่ได้เป็นผู้ชามาตลอดเนหะ็นไหมนี่คือคุณเลยโทรกรรมของคุณกรรมของคุณก็รู้เสียงกิรปุถะไปที่มาไปที่โยกัน มันการอารมณ์โดยรูปภาพรวมก็คือความรักของใคร่ตัญหาหลักะมณทิทิที่อยู่ในใจในจิตของเรามันไม่รู้กี่พุทธิชาตินะการที่เข้ามาบรรพชาบรรจุหรือเข้ามาปฏิบัติธรรมนันก็เช่นเดียวกันไม่ได้พบมีชาตินี้ที่เป็นอย่างเนี้แต่มันที่เรามาอยู่เราเพื่อ ม, มาต่อต่อความดีให้มันมากขึ้นให้มันเพิ่มขึ้นะ จึงมัเป็นไปได้แล้วก็เราไม่เคยไม่มีใครที่ไม่เคยสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้มาตรฐานก็คือสำหรับคนที่จะเกิดเป็นคนทุพทุชาติได้นั้นบุคคลนั้นต้องมั่นคงในพารัตนไตรทุกครั้ง ทุกขุปเจ้าทุกพุทธันดรพุทธันดรก็หมายกับว่าช่วงผู้เจ้าพระองค์หนึ่งที่กบัดขึ้นในโลกอย่างผู้ยองเราก็ห้าพันปีนี่คือตำราหมายกว่าช่วงรยะยเวลาห้าพันปีเนี่ยถ้าเรามั่นคงในพัฒนาใจเราหมายถึงจิตของเรามันคงในพัฒนาใจนี่หนึ่งสองก็คือศิ่งก็คือศิ่งห้าเป็นพื้นฐานในสมัยโบราณในมหายุทธเจ้า ทำมเร็วสินฮาเขาเรียกกุรุธรรมกุรุน่ะเป็นแควนแควนหนึ่งของอินเดียกุรุธรรมธรรมของชาวกุรุถ้ากุรุเขาจะถือสินฮาเนหลักอย่างเคร่งครัดนะเจริญกุรุธรรมแต่เขาปฏิบัติอย่างหนึ่งก็คือที่ตามมานอกจากกุรุธรรมคือเทวธรรมธรรมของเทวดาบบกุรุสัปปกับเทวดาคือฮิริอตตปะ ก็ละอายความเกรงกลัวต่อบาปต่ออกุศลถ้าเราปฏิบัติถ้าเราเมมตต์จิตของเราเป็นอย่างนี้เราจะเจอพระพุะศาสนาทุกภพทุกชาเพราะนั้นเราจึงให้เราปฏิ ญ, ญาณตนเป็นพุทธมุกะให้เราว่ายพระแล้วก็สมาทานเสร็จทุกวันที่เราว่ายพระทุกวันก็คือภารณาพุทธคุณธรรมคุณสังคุณ พ, พุธาภิตติงธรรมาพิตรติงสังฆาพิตรติง คือชมเชยพระเจ้าคือคุณของพระเจ้าคุณอะไเพราะพระทังสงแกล้จริงเติดอยู่ในจิตของเรามั่นคงในจิตคือพระตระหนักนะไอื่นหลังจากนั้นก็มีศีลเป็นคุสมันเป็นเครื่องคุ้มครองถ้าอย่างนี้หลักประกันชัดเจนว่าไม่ไปอบายภูมิแน่นอนหรอจะเกิดมาเป็นคนแล้วคนก็ครบสมบูรณ์บริบูรณ์ ตงรกระข้ามคนก็นมีสินบ้างไม่มีสันหรือไปเรามาืดกลับมาเป็นคนได้เหมือนเดิมแต่ได้เป็นผู้หญิงก็ไม่ได้จเป็นผู้ชายก็ไม่ได้อาการสารทจรที่มีที่เราภาวนาไั้หมดแขนขาตาจมูกก็ามาครบบ้างไม่ครบบ้างเห็นไหมโทษของปราชิบาตบ้างโทษใน ก, การการเมืองบงอันนี้คือโทษมาไม่ครบเราเห็นมหม ในหลายๆเรื่องที่คนมีความสามารถไปเก็จเส้นแขนสองข้างก็มีวาดรูปได้ใช้ป า, ากขาก็เดินไม่ไดนะ้มันลำบากนะที่ยีไปต่อยอดต่อบุญต้ อ, ต อ, ต อ, อย่างพวกเรานะไม่ใช่ลำบากธรรมดาจริงกว่านั้นก็คือมีตาคนพวกเรานะแต่ใช้จินตนาการเพราะไม่เห็นบุญพวกเราหลับตาตอนนี้แต่เพื่อนเราหลับลืมตาเราเห็นได้ แต่เขาตั้งแต่เกิดมาไม่สับลืมตาแต่ไม่เห็นเห็นดูเจอมันลำบากขนาดไหนผลของกรรมผลของการกระทํามันให้ผลขนาดนั้นเรายังไม่เกิดความสลดสังเวชเรียกว่าธรรมะสังเวชเกิดขึในปิทายังไม่ต้องเปิดพุทธึกนะ่ยส่งเหล่านี้ไม่เกิดมันไม่มีคือไม่เกิดขึ้นเราจัุกครบทุกอย่าง อย่าไปโทษเรื่องว่าเรื่องยากเรื่องนี้มีจนเป็นเรื่องการกระทําของเราเองเราสร้างได้หาได้ไม่มีทามันมีได้เพราะเรามีครอบอย่าไปโทษโชคชะตาราสีอะไรก็แล้วแต่เทวดาพระดึงเพราะเราไม่ขยันทำอาหากินเองอืพวกเราโชคดีแล้วแต่ไม่อาศัยความโชคดีอันนี้ทําให้มันเป็นประโยชน์ต่อตอนเองคือต่อยอดอย่างน้อยที่สุดก็คือ บันไดรั้งแรกก็ต้องเป็นเป้าหมายอันสูงสุดแล้วบันไดตัแรกก็คือสัจจะทิฏฐิต้องรู้จากตัวตนที่แท้จริงของเราวิจิกิจฉาจิจเจรังเลยสงสัยพบชาติพตัตนาใจอื่นๆเกี่กัศาสนามันไม่มีสัจจะทิฐิวิจิกิจฉาศิลปฏปรามาตการเราลึกนึกถึงสิ่งอื่นนอกากระรัตนาใจย้ำ ก็เป็นสิ่งอื่นนอกจากพระรัตนใจมันจะไม่มีเราก็มายึดสิ่งนั้นว่เาเป็นสารณะเราเป็นกิึ่งได้ถ้ายังมีสิ่งนั้นเกาะแกะติดกายวาจาใจเขาตัวเองชาติหน้ายาวหวังชาติหน้ายาวหวังก็จะเป็นอย่างนั้เพราะไม่เชื่อในพระรัตนใจคำว่าไม่เชื่อก็คือไม่ทำตามไม่เคารพเราไปเคารพอะไรก็ไม่รู้ อย่าไปคิดว่าทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วมันคงแล้วจะไปเคิดด้วยไว้โดยเพศที่เรามีอยู่ด้วยพรหมจรรย์ที่พระพฤติมาร์แต่สามารถให้เราไปไกลกว่า น, นี้มันไม่ได้ไปไกลสิสิ่งเหล่านั้นพระุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีแต่ถ้าเป็นที่พึ่งได้ก็คือพระัตนาใจเพียงแค่เรานึกถึง หรือบริกรรมอะไรก็ได้ถ้าจะใช้มันอยู่ที่จิตนะมันพฤติกรรมบริกรรมมันมันไม่ได้อัขระพยัญชนะความสักธิ์หรื อ, อ, อมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะนั้นจะกลายเป็นนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฐิอย่างหนึ่งแรงด้วยนะแต่ว่ามิจฉาทิฏฐินะท่านเปลี่ยนไปฟังว่ามันยิ่งกว่าอนันตริยกรรม นิทรรกรรมห้าคือข้าผู้ศรัาข้าพรจาอาหารข้าพ่ อ, ข, พอข้าแม่รวยตุประบาดคือทําให้ผู้เจา้ารวยท้ออันนี้เป็นตดนมมิจฉาทิฏฐิมันหนักกว่า น, นั้นเพราะมันไม่จะบรรลุกี่พระกวุศลเพราะน้ำมันจะมันหลุดได้เหมือนพระเทวทัตข้พระเทวทัตจะเป็นผู้เจ้าในอนาคตพระเทวท่ตหลังจะหมดเวรหมดกรรมแล้ว ยยแต่มิจฉาทิฏฐิถ้าเกิดขึ้ น, นโอหมดเลยนี่คือความสำคัญทําไมพระุทธเจา้าต้องบอกว่าสัมมาทิฏฐิสําคัญนะนี่คือความร้ายแรงความร้ายกาลความมิจฉาทิฏฐิมันจะสำคัญสำคัญตนมั่นหมายตัวเองก็งกันผิดสมณสัญญาม่มีสมณสัญญามีสมณสารูปยังไม่ต้องพูดถึงเลนะคือตัวอันตราย ไม่ใช่อัตรายธรรมดาเวานฝาาพวกเราทุกคนไม่ว่าจะการกระดยาไปได้ไปส่งเสริมอย่าได้ไปสงสัยสิ่งเหล่านี้นอกจากคุณของคุยยาพระธรรมส่งขอให้เรา ม, มั่นคงในพระัตนาใจถ้าจะใช้ใช้คุณของพระรตนาใจนี่แหละแต่ว่าจิตของเราต่างหาถ้าจิตพลังของจิตมันสําคัญนะมันไม่ต้องอัครพยัญชนะ ไปคาถาที่เราต้องมามันก็ถอนมาจากอากาัคระพยัญชนะนั่นแหละะอันนี้ก็ฝากโปรทุกคนเพื่อเป็นเงว้ยงปีใหม่แล้วถ้ายังเหมือนเดิมๆอยู่มันเดิมมาเขาคิดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมแล้วคือควาเดิมอโอ้จะไปหวังของใหม่กันขึ้นเลยในชีวิตเพราะนั้นของใหม่แล้วมันต้องเปลี่ยนต้องปรับปรัแบบวิธีคิดวิธีพูดวิธีทามันจะได้เจอของใหม่ จริงๆมันไม่ได้ใหม่หรอกมันคือของเก่าละมันไม่มีอะไรใหม่เลยก็ปราอาหารวิธีชิดวิธีทํามีพูดเพื่อนแต่ว่าถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันไม่สบายใจก็อยาไปคิดเพราะบทเรียนมาเป็นปีสามร้อยกว่าวันมันไม่มีวันไหนเป็นบทเรียนเลยเลยคิดได้โดยตัวเองมันไม่มีเลยเพราะสติไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเราไม่ฝึกสติปัญญานะเราก็ใช้เป็นสัญญาเฉยๆคือความจำได้ไหมายถมันถึงได้เป็นอย่างนี้ ปัญญามันไม่เกิดมันก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังมืดเหมือนเดิมมันคืออวิชาเหมือนเดิมอย่าไปคิดว่าที่ใช่โยนเป็นวิชาเราไปเรียกอ ว, วิชานั่นวิชานี่มันคืออวิชามันไม่ใช่วิชาคือวิชาที่ผู้เจ้าสรรเสริญผู้เจ้าบอกผู้เจ้ากล่าวผู้เจ้าจำนอกนั้นมาไม่ใช่วิชาเป็นอวิชางธรรมเรามืดธรรมเรบอด ตาดีก็กลเป็นตาบอดกลางวันก็กลายเป็นการคืนความมืดความบอดเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นมราต้องระมัดระวังถ้าเป็นไปได้แก้ไขปรับปรุงพึ่งคุณของพระเจ้าประทามประสงค์ดีที่สุดเอาแค่นี้ยการภาวนาอื่ น, นๆมันก็จะเชิญมันก็จะเร็วเราะิดใจไปคล้องเรื่องเหลา่านี้มันสัตตานะไปผูกคล้องนะ มั้องอยู่ในภพคล้องอยู่ในชาดั้นไม่ไปไหนไมาไหนเหนือนวายตายเกิดยุ่นมัไนไปไหนไมาไหนไปไกลกว่านี้ไม่ได้หนักกว่านั้นก็คือมันจะเป็นคนไม่ได้นะอันตรายนะก็นั่นอีกขึ้นเราความเป็นอย่างแท้ๆมันยังไม่เอาความเป็นคนไปพึ่งอะไรกับรู้ที่มันต่ํากว่าคนคือต่ํากว่าเราพูดไง่ายๆโดยสถานะโดยสภาวะนีเราสูงกว่าแต่ไปคลุกขีตีวงกับเขาเหล่านั้น สุดท้ายก็กลเป็นอันเดียวกันหมายถึงระดับของจิตมันเป็นเรื่องเดียวกันอันตรายไม่ใช่อันตรายธรรมดาเนะี่ยฝากพวกเราทุกคนที่คือบาอาจารย์ท่านฝากเอาไว้ตั้งแต่หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเลยที่ผ่านมาทั้งหมดโดยเฉพาะอันที่คือวัดเราวัดเราจมีของดีทัพละของดีนะตอนนี้มีของศักดิ์สิทธิ์มีผู้ศักดิ์สิทธิ์มีผู้ดูแลมีผู้รักษา มีทั้งมิจฉาทิถิแล้วก็สัมมาทิถิต้องบอกอย่างนี้พวกมิจฉาทิถิมันก็มีเพราะมไม่ปแปลนนี่ยนพระไตรยังเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นพระอยู่มันก็เป็นมิจฉาทิถิมันก็ไม่เปลี่ยนนี้จติตอยู่นี่มันคุ้นเคยอยู่ที่ไหนไปไหนมา ไ, ไ, ไหนไม่ได้มันก็อยู่ที่เดิมโดยสภาพของมันมันก็คือมิจฉาทิถิเหมือนเดิมอันนี้อันตรายหน ในวัดเราก็มีแล้วก็อยไปเพิ่มจะไปเพิ่มปริมาณอย่าไปเพิ่มคนจะไปเพิ่มดวงจิตอะไรขึ้นมาอีกเท่าที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้วอยู่ในวัดในมาแต่ว่าอเผอิญว่าเป็นผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขามีแล้วก็มีเยอะเพราะฉะนั้นอย่าของเราต้องหลายใจสำนึกสำเนี๊ยกในสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งที่พระบาอาจารย์พูด ตั้งแต่ต้นตั้งแต่รุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นน้อยเนมามันเป็นความจริงถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ก็คือเราปฏิเสธอาจารย์ความเจริญมาจากไห น, นอั น, นีมีต้องระมัดระวังอยากให้พวกเราทั้งหลายทุกฝ่ายทุกผู้ทุกนามและเอาใจใส่ในกิจวัตรขอวัดปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่พยายามพูดจำทั้งหมดก็คืออยากให้เรานึกถึง ครูอาจารย์ที่เป็นบูรพาจารย์จริงจงการเป็นอยู่การปฏิบัติการรนวงชีวิตของพวกท่านท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นยิ่งกว่าเราโดยเฉพาะวิชาอาคมอยู่พวกเราเทียบไม่ได้ทียบศรเรียนไม่ได้แล้วลทำไมท่านถึงไม่เอาส่วหลราไม่เป็นหลาทิ้งหมดยอมยอมลูก ป, ปูหมดโบนมาถึงลูก ป, ปู่ใหญ่หมดทุกคน ก็เพราะอะไรเพราะเคารพถ้าแต่พระท่านยัง ม, มีความเคารพคือสัตตนั่นแหละไอ้สิ่งเหล่านี้โอ้ย่างสุดท้ายมันก็วิชามันก็จะแก่กาไปเรื่อยๆวิชาคือมณฑิตฐินั่นเองเือนวิชาทิฏฐินี่มันก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายไม่มีใครในโลกนี้คือเป็นครูไประจำเป็นสอนในแ ท, ท้จริงนี่อันตรายต้องระมัดระวังก็ฝากพวกเรา ทุกคนในขณะที่เรายังมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้มีโอกาสเวลาอีกเยอะที่เป็นอย่างนี้ก็าฝากพวกเราสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าผูบาอาจารย์ไม่บอกไม่กลา่าวไม่สอนไม่สรรเสริญอย่าไปทำอย่าไปฝื น, อ ย, ฝนอย่าไปฝึกอะไรขึ้นมาที่มันมันไม่ใช่อะ่ะบอกว่ามันไม่ใช่ทาง คือทางคือทางที่ครูเชาบอกกล่าวสอนอันนี้คือสิ่งที่เราอามรบงังเพราะนั้นวันนี้สารานิยธรรมคือเครื่องรึกนึกถึงเครือกันและกนันนี่ก็เรียกว่าสารานิยธรรมเครือหนึ่งกายวาจาใจกายก็ประกอบด้วยแม่ตองวาจาก็เต่าด้วยแม่ตงองมันถึงจะเป็นเครื่องรึกนึกถึงขนาะ ใจคือมโนโก็จะเป็นเครื่อง ร, รักก็คือเงนิ น, ข, นข้อที่สามข้อที่สีคือสารณาธาตุระพูคีก็คือโภคีคือพะคือใช้สอยสาธารประโยชน์ร่วมกันของใช้ของอยู่ของกินที่มีอยู่กินร่วมกันใช้ร่วมกันเรยว่าเป็นของกลางใครเข้าใจไหมคือสาธารณะพคีข้อที่ห้าคือาศาาีลส า, ามัญตาต้องมีศีลเสมอกัรศีลนั่นก็คือกิดว่าเขาว่าเขาปฏิบัติ มันต้องต้องเสมอกันต้องใกล้เคียงกันมันจะมีอยู่ด้วยกันได้นะถ้ามันเกิดความแตกต่างรักลันกันไม่ได้ไนะมทท่ที่สิทฐิสามัญญาตาความเห็นก็เช่นเดียวกันควาเห็นนั้มันต้องคงกันเห็นต่างกันได้แต่ว่ากุจอตกลงกันแล้วทําอย่างนี้เป็นอย่างนี้กฎกติกามีอยู่ต้องปฏิบัติตามนะนี่ก็เรืองสาหร่ายอย่าทำถ้าวัดไหนสำนักไหนที่ใดก็ตาม ไม่มีสิ่งเหล่านี้อย่าหวังความเจริญอย่าหวังความเมตตาจะเกิดในหอกระนะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นก็เปล่าความแตกแย ก, กแปลกตา่างมันก็จะเกิดขึ้นแต่ความหายยนะมันก็จะปรากฏหายยะนะนคือเสื่อ ม, มเองเสื่อมจากอะไรเสื่อมจากความดีที่มีอยู่เสื่อมก็ตรงข้ามคนเจริญแปลมันต ม, มีคนเจริญ เพราะของนี้มันไม่นําไม่นำไปสู่ความเจริญพราะถ้าเราอยากให้เจริญก็ควรจะเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผู้ชอบบอกไม่ได้บัญญัติเองไม่ได้พูดเองไม่ได้เสนอเองแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้าก็ควรจะเป็นอย่างนี้เพราะถึงคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณ พ, ณพออะระอริยสงฆ์เป็นหลักเราก็จะเจริญงด ง, งาม ภัยบุญในทางผู้ศาสนาสืบไปแล้วก็จะเป็นกำลังจะเป็นทายาทผู้สืบต่อเป็นศาสนธรรมเป็นศาสนทายาเป็นศาสนบุคคลที่เป็นประโยชน์พึงพาอาศัยแกคณะแกหมูแก่คนทั่วไปได้ถ้าไม่งานโ อ, อ่ยากเป็นทายาทเรียว่ั้วครูอาจารย์ ตั้งแต่รุ่นรุ่นแล้วรุ่นเราตั้งแต่ลวงปู่ใหญ่หลวงปณ์หลงมาก็แสดงเห็นว่าต่างคนก็ล้มหายายจากโดยภาษา ง, ง่ายง่ายแม้ทักวันนี้ก็เช่นกันลดแปดสิบเก้าสิบมันก็จะน้ลงถือมีอยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะไรมากมายมันจะเราเป็นเป็นอยู่มีอยู่นี่ก็มันก็เพียงพอที่จะดับเตือนให้เรามีสติสัมปชัญญะเพื่องดเว้นในสิ่งเหล่า น, นั้น พยายามที่จะห่างไกลสิ่งเห น, งนั้นให้มากสุดเท่าที่มากได้เราก็เจริญงบงามมันต่างกันเพื่อฉันะนั้นปีใหม่ตั้งแต่เป็นอย่าง น, นี้เป็นต้นไปก็พยายามปรับเปลี่ยนที่พูดหพ่พูดสมอว่าปรับถ้าเปลี่ยนไม่ได้แค่ปรับแต่ก่อนใช้ข้าวเขาว่าปรับแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาเราไงาคือปฏิรูปเขามาปรับนั่นคือปฏิรูปเปลี่ยนคือปฏิวั ต, ควติคือเปลี่ยนไปเลย แต่ถ้าเราปฏิวัติไม่ได้ก็แคป่ปรับก่อนปรับได้ทั้งปรับได้ทั้งเปลี่ยนได้ปรับเปลีนนะ่ยนเป็นเรื่องที่ดีที่สุดผู้ใจให้คำนี้ต้องกลับคำได้อย่างไม่มีที่ติคือทั้งปฏิรูปแล้วก็ปฏิวัติแต่ปฏิรูปตัวเองปฏิวัติตัวอื่นไม่ได้ปฏิวัติคนอื่นเนะี่ยคือสิ่งที่ผู้ย่อทำคือปฏิวัติพระองค์ ฉ า, ากที่เป็นอยู่ทั้งหมดปรับเปลี่ยนใหม่หมดซสื้าพาพอผาอภรรท์ที่อยู่อาศัยอาหารการกินอ่นคือปรับแล้วก็เปลี่ยนโดยสิ้นเชิงคือเปลี่ยนชีวิตโดยสิ้นเชิงอันนี้คือแบบต้นแบบตัวอย่างที่ดีที่สุดไม่มีศาสนาในที่ทําอย่างนี้ดังไม่มีเลยาศาสนาไหนที่ในโลกนี้ที่เอาไปเปรียบเทียบในตัวบุคคลเรื่องต่อเรื่องไม่มี ใครที่จะอถ้พูดจ้าของเราได้เป็นทั้งวิทยาศาสตร์คือทดสอบทดลองพิสูจน์ได้าศาสนาอื่นไม่มีไม่มีพวกเราเพราะนั้นอยากให้พวกเราได้สำนึกสำเนิกและก็ทราบซึ่งในสิ่งเหล่านี้เพื่อเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นข้อแรกในมรรคในองแปดนั่นเองถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดแล้วมรรควแปดไม่ทางที่เกิดขึ้น ม, มีทางสมบูรณ์บริบูรณ์ในอนาคตได้ก็ฝากผู้เราทุกคนเพื่อเป็นแนวนึแนวคิดแนวปฏิบัติสําหรับปีใหม่ที่ถึงแปล้บางอยงนี้ก็ขอมุตนาความดีผู้เราทุกคนที่เราพ้นมาได้เกือบปีแล้วขอทบทวนวันปีที่ผ่านมาเรามีทั้งดีไม่ดีดีก็ทําให้วันเพิ่มขึ้นถ้ามันไม่ดีพยายามลดแล้วก็ละแล้วก็เลิกได้ เป็นเลิกเป็นดีที่สุดค่เป็นดีคือดีต่อเราดีต่อกลุ่มคนบุคคลค ณ, ณะสถาบันมันก็จะดี่อใดขอความดีที่พวกเราทำมาทั้งหมดในปีนี้จะเป็นเครื่องปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเราทั้งหลายได้พป็นคนเจริญทางโลกทางธรรมทุกคนทุกท่านเทิน